ยังไงเสียเราต้องฟันฝ่าไปจนได้แต่คิดว่าโอ้ยฉันไม่ไหวฉันไม่ไหวนี่รับรองเลยเราไปไม่ได้ <laughs> ส ม, ม่ว่าเราไม่เคยที่ไปถิ่นนี้นะครับแล้วเรามีที่ว่าจำเป็นมากต้องไปควรจะปลอบกระโลงก็ดีเหมือนกันจะได้รู้ตกรถทักทีงก็ดีจะได้รู้เรื่องไปเลย ยกให้มียกมือเคลื่อนไหวให้มีสาระยิ่งขึ้นนะฮะไม่ไม่ไม่ใช่ลายสาระยิ่งขึ้นคือเต็มไปด้วยสาระของการเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องมันอาจจะเร็วขึ้นแต่สาระเท่าเดิมความภาคภูมิความได้ดุนความตื่นตาตื่นใจนี่คือสาระผมเห็นหลายคนกำลัง น, นั่ง อีนนี้แกล้ๆมันลุกไปไม่ได้เพราะเพื่อนก็นั่งอยู่เลยแล้วต้องตื่นขึ้นมาตั้งหลักขึ้นมาแล้วเมื่อเคลื่อนได้เต็ม เต็มเต็มที่หรือเต็มสาระของมันจะรู้สึกสวูบวูที่ใจนรรู้สึกวูบๆขึ้นมาที่ใจเลยเียวเสียวเข้าไปสดสดเข้าไปในภายใน เพื่มเพิ่ฟังอธิบายนิดนึงก่อนตรงนั้นนั่นไปมีข้อความในในาศาศาศาพรนะไตปิกนะครับบอกว่าคลุกคลีนอนเกยกายด้วยลูกด้วยเมียเขาบอกงั้นนีคคือร่างการไปเกยกันอยู่เรื่อยอย่างนี้นมันเลยเลยอิสระไม่ได้เข้าใจไหมครับดังนั้นอย่าอย่าให้การติด ก, กันมากอย่างนี้อย่างนี้นั่นไปครับนั่งนั่งสบายนั่งให้สบายครับ ขยายวงอีกถอยถอยหลังถอยอ่านั่นๆขยายวงคําว่านั่งให้สบายเนี่ยมันคือถ้านั่งเป็นทุกแล้วมันก็ไม่สบายเท่านั้นเองนั่งให้ให้เป็นสุขนั่งให้สบายความสบายมีอยู่ในตัวเราแล้วเรานั่งแล้วฮะจุดจุดสมดุลให้ประดิตพอดีขึ้นมาเนี่ยเวลาจะนั่งให้สบายเนี่ยลองโยกโยกไปมาดูเฉพราะว่า มันจะมีจุดหนึ่งที่ได้ดุลพอดีครับบางทีอาจจะงอไปขา้างหน้านิดหนึ่งหรือถวงนิดหนึ่งแล้วมันจะเพราะว่ามีจุดหนึ่งเนี่ยเต็มเต็มส่วนเข้าใจั้ยครับจ <c oughs> ังการที่เราประชุมนี้นะครับถ้ามองด้วยสายตาของผู้มีประสบการณ์ ผมมีประสบการณ์บ้างครับในเรื่องของโลกกว้างคือในสถานการณ์สากลเฉพาะว่าการที่เด็กสาวๆอย่างพวกเรานะครับหรือบางคนไม่สาวแล้วก็ตนะต่ายมารวมกันแล้วมานั่งภาวนามารู้สึกตัวเรื่องแปลกนะผมจะบอกให้มีเด็กหนุ่มสาวเป็น พันพันล้านในโลกนี้ไปเยอะๆอยู่ที่คอนเสิร์ตกลางแจ้งคอนเสิร์ตติดฮจอะไรแล้วเนี่ยดิสโกเทคอะไรเข้าใจไหมครับเขาไม่ประสีวิสาเรื่องเหล่านี้นะแล้วก็เขาไม่ยินข่าวสารเขาไม่เคยได้เข้าหูไม่มีโอกาสได้สะดับจับฟัง <c oughs> ไม่ใช่เพพาะเมืองไทยนะเยาวชนทั่วโลกนี้ครับญี่ปุ่นกี่ร้อยล้านก็ไม่รู้มากมาย ดูที่พวกเรานอกจากได้ยินได้ฟังแล้วยังมีโอกาสได้ลิมลิมลองลิ้มชิมลองไอการปฏิบัติแม้ใช่ช่วงสั้นนักก็ตามามองด้วยสายตาฐานการณ์สากลฝลั่งเขามาเที่ยวนะครับพวกบาทหลวงอะไรเขามาเห็นเด็กไทยกลุ่มสองกลุ่มนั่งภาวนาเนี่ยเขาปลื้มใจมากๆเขาเล่าให้ผมฟังลอา อ, อัศจรรย์จริงๆ เด็กของเขาผู้เฒ่าผู้แก่คุมมาอยู่เข้าใจไหมครับเรื่องไม่เอาไหนกันเลยเพราะฉะนั้นสังคมว่าเรานี่ยังมีหลักอยู่มากครับที่เราศึกษาให้มันรู้เพื่อที่จะถ่ายทอดไปสู่อนุชนรุ่นถัดไปจะเป็นน้องหรือลูกในวันหน้าหรือหลานก็ตามนะการตั้งดวงจิตอธิษฐานที่จะสงเคราะห์ผู้อื่นเนี่ยสำคัญนะครับ เพโดยทั่วไปแล้วคนทุกคนเนี่ยคิดแต่เรื่องตัวเองดังนั้นแนวโน้มเองการตั้งใจไว้ที่จะช่วยผู้อื่นเนี่ยจะน้อยมากๆนะพวกเขาที่เรามีความทุกข์ส่วนตัวนะครับเรารู้สึกหมือนมองว่าโลกนี้ย่ำยีบีทาเราแต่ถ้าเราเพียงจะออกไปนอกถนนไปดูสิคนอื่นเป็นทุกข์อย่างไรเออเราโล่ง อ, อกว่าเอ๊ะเรื่องเกิดกับเราเรื่องนิดเดียวเท่า น, น, นั้นเองจริงไหมครับ ที่ถูงแม่ด่านี้เดียวเราจะฆ่าตัวตายใช่ไหมได้พอไปดูเนาะโอ้โหคนนุ่นอดอยากยากไร้เรื่องราวเลยหายหัวไปเลยเข้าใจไหมครับดังนั้นการตั้งจิตทําในใจนะครับเรียกว่าที่สถานทําในใจให้มัน่นคงตั้งใจตั้งขึ้นในใจคิดขึ้นในใจรู้สึกขึ้นในใจว่าอ๋อละ เราจะใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์กับสังคมกับมนุษย์ให้มากที่สุดเนะคิดทช่นนี้บ่อยที่หลังพอมันเกิดนายเบื่อขึ้นมาเนี่ยซึ่งซึ่งเป็นธรรมชาติหนึ่งนะไอแนวโน้มเองนี้จะยังเหลืออยู่เข้าใจไหมครับก็คล้ายเราตั้งใจมานานแล้วตั้งอยู่ทุกคืนทุกวันตั้งใจทีษฐานอยู่ที่หลังพอมันเบื่อขึ้นมานี่มันเบื่อพักเดี๋ยวสักเดี๋ยวมันไปตามแนวโน้มเองที่เราตั้งไว้เข้าใจไหมครับ เหมือนเรือซึ่งแล่นตั้งใจจะจากชยาเนะีจากบ้านดอกนะจะไปจะไปกรุงเทพอนายเรือตั้งใจจะไปมาหลายเดือนนะที่ที่พอไปกลางทางมันเจอมอสุม่มหรือออุปสรรคเล็กน้อยมันก็ไม่ถอย <c oughs> แต่ไม่เช่นนั้นแล้วก็มันมันถอยครับการตั้งใจที่ช่วยคนอื่นพ้นทุกนั้น เป็นสิ่งเดียว ก, การปฏิบัติตัวเองให้พ้นทุกข์เราจะพ้นทุกข์ไม่ได้ครับถ้าคนอื่นยังทุกข์อยู่ยวงเราเห็นความทุกข์เราก็เป็นทุกข์เห็นความยากจนเราก็เราก็เราก็เป็นทุกข์ครับดังนั้นความรู้สึกตัวที่ดีนี่ครับตั้งอธิษฐานจิตที่จะให้สิ่งดีๆกับสังคมซึ่งไม่จะเป็นต้องเป็นเงินทองหรือ ตอนทำยิยงวีระบุรุษ ไ, ไม่จำเป็นอย่างนั้นนะครับเราพู่กันแล้วในเรื่องที่ว่าเราควรจะทำอะไรดีทำกับใครทำอย่างเวลาไหนใช่ไหมครับจำได้ไมั้ย <c oughs> เอาละอ่าแลกเอาล ะ, าล ะ, าละยังไงก็ได้ หลับจานนะครับรวบรวมไอ้ความรู้สึกตัวเข้ามาในหัวใจตัวเองก่อนจะเรียกว่าคิดก็ไม่ใช่ครับที่จะทำในสิ่งดีๆเพียงแต่ตั้งใจตั้งใจมั่นตั้งใจอย่างมากที่จะให้สิ่งดีๆกับเพื่อนมนุษย์ รามท่านว่าโคควายวายชีพได้เขาหนังใช่ไหมครับจำได้มไหมวัวควายตายยังมีเขามีหนังเหลือคนเราถ้าตายนะครับมันไม่มีเขาก็ไมมีไม่มีให้ให้ประดับฝาหนังก็ไม่มีใครเอาหนังมนุษย์ไปเที่ยวทำรองเท้าหรือทำอะไรกระดูกไม่มีใครเอามาทําเครื่องประดับได้กระดูกคน ส่วนในร่างกายของนั่นเป็นสิ่งที่คนรุ่นหลังจะลังเกียจทั้งสิ้นครับฟันก็เว้นไว้แต่ฟันกระดูกของพระพุทธเจ้านั่นเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งที่ที่สูงส่งแต่คนธรรมดาไม่อยากเก็บไว้กระดูกซวงอกกระดูกขากระดูกแข้งเขามีแต่จะเอาไว้ไว้วัดหรือในในใ น, ในหลุมสิ่งที่เหลือจริงๆนะครั บ, บ, บชีวิตคนนึหนึ่ง ไม่ใช่กองมอดกเงินทองบ้านที่มอบให้ลูกให้หลานสิ่งนั้นสิ่งที่มีอยู่มากก็มีอยู่น้อยไม่ไม่ใช่สาระแต่ว่าร่องรอยของการปฏิบัติดี ช, ชีวิตคนหนึ่งหนึ่งที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นคือการสร้างแนวทางให้กับคนใกล้ตัวเป็นอย่างน้อย ไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างมหาตรรมคันทีหรือใครๆที่ที่โลกหรืออย่างน้อยถ้าเราควบคุมตัวเองได้ดีนะครับทําในสิ่งดีน้องหรือหลานเห็นข้าก็ชื่นใจรู้เราก็เหลือแต่ล่องรอยของการปฏิบัติธรรมนั้นนี่ฮตั้งใจอย่างนั้นตัวเราไม่มีวันนะครับก็จกัดกาเท่าไปเรื่อยๆะฉะนั้น เราทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์ก่อนที่เรี่ยวแรงไปหมดโดยเฉพาะในวัยหนุสาวโอกาสที่จะฝึกปรือตัวเองให้เป็นประโยชน์กับชุมชนนี่สูงมากๆแต่ว่าถ้าใครไม่มีความตั้งใจนะครับเขาผู้นั้นใครทีม่มีความตั้งใจที่ให้กับสังคมเขาผู้นั้นก็จะช่วงชิงมาจากสังคมนี่นเองความตั้งใจที่จะให้ไม่มี เขาก็จะการคนหนึ่งซึ่งช่วงชิงสิ่งต่างๆออกจากการให้นั่นคือการยื้อแย่งมานั้นตั้งใจให้มากครับที่จะให้สิ่งดีๆความตั้งใจที่มากมายให้สิ่งดีๆจะมีผลในทางระงับหรือตัดการให้สิ่งที่เลว ในนัดหมายเ่านี้แสดงว่าใ จ, จมันเริ่มประสานวันนี้ก็เหลือเวลาคือกำหนดสลับขึ้นสมองนะผมอยากจะให้สนทนากันเองเข้าใจไหครับแต่ว่าให้สนทนาในเรื่องของการบริบัติธรรมะในหัวข้อที่ว่าเราปรึกษาหารือในเรื่องเป็นสาระเข้าใจไ้ม ห้ามคุยเรื่องอื่นนะครับเรื่องจะดูหนังหรือศึกแล้วจะไปดูที่โรงนั้นเน่ยตกประเด็นประเด็นต้องตกไปทันทีแล้วก็แต่ละคนต้องยบยั้งทันทีทุกคนมีสิทธิ์ที่บอกเรื่องนี้เธออย่าพูดออกมาไม่มีประโยชน์เข้าใจมครับดังนั้นเราจะแก้ข้อกล่าวหาที่ว่าสตรีไม่อาจเข้าสภาได้ตั้งสภาสตรีขึ้นอยู่ที่แล้วคุยในเรื่องที่เป็นสาระเข้าใจไหมครับ อาจารย์ร่วมด้วยดีไหครับนั่งด้วยดีั้ยดีไหมก็คุยในเรื่องเป็นประโยชน์ลองทดลองดูไม่ไม่ใช่ถามปัญหาผมนะใครจะถามใครก็ได้ตอนนี้คนนี้จะถามคุณโน้นก็ได้ถามว่าเธอรู้สึกอย่างไรอะไรตรงนี้อะไร ผมถามก่อนดีไ้ยถามโยมชีครับออกบวชมานานหรือยังครับอ๋อบวชที่นี่เลยถ้าทางสงบเงบียบผมก็จะบวชทุกสิบพรรษาใครจะแสดงเมติอะไรก็ได้นะครับแต่ต้องเป็นสิ่งทงี่มีประโยชน์ เือฝึกปรือคำพูดพัศนคติที่ว่าหรือจะวิภาควิจารณผมก็ได้ครับผมจะฟังรหรือวิจารณ์วัดนี้ก็ได้แล้วต้องต้อ ง, องไอฝึกปรือที่เรามีความรู้สึกโดนครับเรามีความเป็นกันเองขึ้นทุกทีรเราก็ผักแสดงออกสนิดที่ไม่ ไม่ใช่ใช้ความมึงแรงหรือใช้ความเหลวไหลเวาเราคุยผมเคยร่วมประชุมประชมสัมมนาเนี่ยผมสึกผู้ใหญ่มันก็เหลวแหลกพอๆกันเด็กที่เขาพูดไม่ได้เรื ficou, claro. ่องมันเราพูดเหมือนคนเมาแม้ในรับสภาเราเคยเห็นไหมครับในสภาประชุมพูดกัเหมือนกับเด็กในร้านกาแฟจะชกหน้าเนี่ยผมได้ข่าวสอสอต่อยกันหน้าทำเนีย ก็หมดกันนั้นนะครับนันคำพูดที่ว่าสตรีเข้าสภาไม่ได้บุรุษก็หาเข้าได้ไหมถ้างั้นเวียนเทียนดีกว่า <laughs> ทำไมไม่กล้าแสดงออก ค, อคือเรามากักจะแสดงออกเพื่อโดยไม่ต้องควบคุ ม, มซึ่งการแสดงออกเช่นนั้นอันตรายเขอาใจไหมครับ เวลามันมีใครรู้ไม่กีเนี้ยแสดงใหญ่เลยแต่ว่าการแสดงออกในที่ประชุมเพื่อทำให้ที่ประชุมเนี้ร่ำรวยขึ้นใครจะเล่านิทานดีๆก็ได้นึกถึงนิทานที่มีประโยชน์ขึ้นมาหรือคำคมที่จำเข้ามาก็ได้ขโมยเข้ามาก็ได้ได้แค่นั้นนะให้มันเกิดประโยชน์นไม่ยอมรับเลยก็ใส่บาตรไม่รับแย่ เป็นนักบวชเขายืนของให้ต่อไปไม่รับก็โยนต่อ <c oughs> ไปอ <c oughs> ไปถึงนี่ ก็อย่าพูดวัสิทิ์ที่ประสบกับตนเองนะฮะจากชีวิตการอยู่หอมอ .1 คือตอนแรกๆที่ไปอยู่หอนี่ก็ยังเด็กอ่ะไม่รู้อะไรก็ทำอะไรตามใจตัวเองมากมายเลยซึ่งมารู้ทีหลังว่ามันไม่ดีก็เลยได้ข้อคิดที่ว่าถ้าอยากถ้าสูมิว่าอยากให้ใครปฏิบัติกับเราอย่างไรแล้วต้องปฏิบัติอย่างนั้นต่อคนอื่นก่อนเนี่ยไเ้ใช่ไหมะ กในเืองที่เขาเรียกว่าเรืของการรักษาสุขภาพดีหอมนี่คือการเกิดขึ้นของนุษธรรมนะครั่งเราเราก็อยากมีวันสุแล้วก็ถ้าเราให้คนใดเราคอยเลยครับให้ให้ลายเขาเดี๋ยวร้ายกขมังงจะย้อนกลับมาในสิ่งดีครับ ให้สิ้นเลิกได้รับสิ้นเลิ ก, กให้สิ่งที่ไม่ไม่เลิกนะก็ได้รับสิไมเคยเลิ <c oughs> มือให้หัวใจในการทำอะไรนี่ก็จะได้หัวใจใช่ใต่เราทำงานที่นิ่งรื่นหัวใจจริงหัวใจเราจะมีกหลังจริงมันคือหัวใจกลักจริ เราดีฉันนะคะแบบือว่าตั้งแต่อาจารย์โกวิดมาฝึกจิตภาวนานี้สือว่าถึงจะแบบไม่ค่อยแบบอาจจะดีขึ้นนิดหน่อยแต่มีความรู้สึกว่าคือมีความอยากตั้งใจว่าจะต้องเพียรมากๆขึ้นอย่างเงี้ยจากคำพูดอะไรอะรู้สึกมีแรงจูงใจดีของอาจารย์นะคะเราคิดว่าต่อไปถึง ถึงเราคิดว่าตอนนี้เราไม่ได้อะไรที่เกิดว่าถ้าเกิดเราพยายามยื่งขึ้นคิดว่าถึงจะนานเท่ า, าไหรเชื่อสักวันหนึ่งเราคงอะไรได้บ้างอีกนิดหนึ่งแต่ไม่คิดว่าจะหวังมากเกินไปนะคะแค่นี้ค่ะ และรู้สึกขอบพระคุณอาจารย์กวิตมากค่ะที่ให้ความเมตตากรุณ า, ากับพวกเราธรรมะเจริีทุกคนนะคะขอบคุณการที่เราจะรู้จักชีวิตอะไรหลายอย่างนะคะอุปสรรค ที่เราผ่านมานี่มันสอนให้เรารู้จักชีวิตมากขึ้นนะคะเช่นการที่เราไม่อยากอยู่คนเดียวแต่ว่าเราจำเป็นต้องอยู่คนเดียวการที่เราต้องอยู่คนเดียวนั้นมันจะสอนในเร า, เราหลายอย่างนะคะอุปรสรรคทุกๆอย่างในชีวิตนะคะเป็นทั้งครูทั้งบทเรียนแล้วก็ทั้งหลายๆอย่างที่มันจะมีคุณค่าสำหรับมากคสำหรับชีวิตของเราค่ะอันนี้ค่ะ ค่ะนั้งแต่มาอยู่ที่นี่ก็รู้สึกว่าตัวเองนี่ทําอะไรก็มีสีเกือบทุกครั้งเมื่อก่อนก็เป็นคนไม่ค่อยเรียบร้อยแล้วก็คิดว่าตัวเองมาอยู่ที่ก็มีความระเบียบมากขึ้นแล้วก็ประสบการณ์ที่ได้สามารถนําไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในเรื่องต่างๆได้ค่ะก่อนจะมานะคะก็บอกเพื่อนๆทุกคนว่าจะมาบวชธรรมจารีนีเพื่อนในห้องเรียนก็แบบเขาบอกว่าบวชทีหนีรักนะคะ อันที่จริงไม่ใช่นะคะเป็นความรู้สึกของเด็กวะคอทั่วไปที่ว่าถ้าหากว่าผู้หญิงสาวนะคะเข้าวัดคงจะมีปัญหาหรือว่าสุขภาพจิตอะไรไม่ดีอย่างนี้เลยคะ่ะอันที่จริงไม่ใช่เพื่อนเพื่อนที่ไม่รู้ต่างหากนั่นเลยค่ะคือพวกสุขภาพจิตไม่ค่อยดีค่ะครับ <c oughs> <c oughs> ก่อนมาที่นี่ก็เป็นคนที่อาแต่ใจตัวเองแล้วก็โมโหมากเลยเคยทําอะไรนิดก็โกรธหมดเลยพอมาอยู่ที่นี่ก็รู้สึกว่ามีสติดีขึ้นกว่าเคยแล้วก็จะกลับไปทําตัวให้หมัอนอยู่ที่นี่ครับการมาบวชครั้งนี้ก็คาดหวังไว้สูงนะคะคิดว่ามาแล้วนี่จะได้ผลสรุปกลับไปแต่พอมาจริงๆมีความรู้สึกว่า เราได้สิ่งที่สำหรับเป็นสิ่งเริ่มต้นเพื่อไปทำต่อไปนะคะสำหรับตัวเองก็ไม่แน่ใจว่าจะทำได้มากกันไหนไหนเพราะว่าอยู่ในสภาพของกรุงเทพเต็มที่งั้นสิ่งต่างๆมันจะต่างจากที่นี่มากแต่คี่ว่าจะลองทำดูนะคะถ้าคิดเริ่มต้นว่าจะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็พึ่งตัวเองอย่าหวังพึ่งเพื่อนให้มากนะคะ ถ, ถ้าแสดงตนว่าเป็นคนหล่อนแอแล้ว ฟังเพื่อนๆทุกถึงทุกอย่างก็จะมาลายลงค่ะก็ไม่มีอะไรมากนะคะคือก็อยากว่าก่อนมาก็เคยถามตัวเองเหมือนกันว่าเกิดมาทําไมเพราะว่าบางครั้งรู้สึกว่าไม่มีคืออยู่ในหมู่คมถุ่มมากรู้สึกเหมือนอยู่คนเดียวแต่ตอนนี้ก็รู้ว่าควรจะทําอะไรเพราะว่าประสบการณ์ที่นี่ให้อะไรแก่ตัวเองหลายอย่างแล้วคิดว่าจะพยายามตั้งต้นแล้วคืออยู่ให้อย่างมีความสุขเหมือนกับอยู่ที่นี่นะคะ่ะ คือตอนแรกก่อนที่จะมาบวชนี่ก็เห็นใบเขาโฆษณาใช่ไหมคะว่าอืมบวชที่สันติเมตรีก็เห็นนะคะว่าอืมคำนี้สันติเมตรีแต่ว่าเดี๋ยวนี้พอมาบวชเนี่ยรู้สึกว่ารู้ซึ้งแบบว่ารู้สํานึกหรืรู้ซึ้งในคาว่าสาันติเมตรีเนี่ยมากขึ้นค่ะตอนแรกก็แค่อืมคํานี้นะสันติเมตรี แล้วก็อีกอย่างนึงนะคะอีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> คือจะเล่านิทานให้ฟัง <c oughs> คือนิทานนี้อา่านมานานแล้วนะคะคือมีมีครอบครัวหนึ่งแล้วก็จะถึงวันปีใหม่แล้วที่นี้ก็มีพ่อแม่แล้วก็ลูกสามคนนะคะสมมุติแล้วกันนะชื่อนิดน้อยหนองนะคะ แล้วก็นิกกับน้อยเนี่ยเขาก็สะสมเงินไว้แล้วใช่ไหมคะว่าจะซื้ออะไรให้พ่อกับแม่หน่องก็สะสไมไว้เหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าเงินของตัวเองไี่ยังไม่เยอะพอก็วันหนึ่งเนี่ยหน่องเนี่ยไปตลาดกับแม่แล้วก็ก็เห็นเหลือเห็นหนังสือเล่ม น, นึงเขาเขียนว่าอืมเออการให้ของขวัญวันปีใหม่อย่างไรอย่างเงี้ยคะ่ะ แล้วก็น้องเขาก็ไปเปิดอ่านแล้วก็พอเขากลับมาเนี่ยเขาก็ปิดประตูห้องแล้วก็มันเป็นห้องเก็บของนะคะเขาเขาก็ปิดปิดแล้วก็เขาก็ทําอะไรของเขาะค่ะจัดของแต่คนอื่นเขาจะไม่รู้ว่าน้องเนี่ยเข้าไปทําอะไรน้องก็จะจัดของของในห้องเก็บของเนี่ยค่ะให้เป็นระเบียบมากเลยพอถึงวันปีใหม่เนี่ยอืม น้อยกันนิดเนี่ยน้อยก็ซื้อผ้าเช็ดหน้าให้พ่อให้แม่อย่เงี้ยอย่างน้องก็ซื้อถุงเท้าให้ก็พอหน่องพอวันพอวันดีใหม่หน่องก็เปิดประตูให้ทุกคนดูทุกคนก็จะเห็นว่าห้องเก็บของเนี่ยจะเป็นระเบียบมากเลยจัดเก็บอะไรเนี่ยดีแล้วก็หน่องยังยื่นกระดาษให้พ่อกับแม่แล้วก็ ในกระดาษเนี่ยเขาจะเขียนว่าอืสัปดาห์เนี้ยเขาจะขวาดกวาดบริเวนรอบบ้านแล้วก็ปลูกต้นไม้สัปดาห์ต่อไปปลูกต้นไม้หรือว่าทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเนี่ค่ ะ, ค, ค, ะคืออยากจะพูดว่าการกระทําเนี้ก็สำคัญนะคะแบบการกระทําเนี่ยบางทีเราคิดแต่ว่าการกระทําเนี่ย เป็นสิ่งที่ปุ่มรุงความคิดของเรามาได้อย่างได้ข่าวว่าตอนนี้พวกเราเนี่ยคือทราบนะคะว่าทุกคนเนี่ยทราบถึงในพระคุณของพระอาจารย์แล้วก็ทุกคนมากแล้วก็ทุกคนอยากจะตอบแทนใช่ไหมคะ คนี้คิดว่าจะจัดจัดอะไรแล้วก็กล่าวขอบคุณอาจารย์คือคิดว่านั้นก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าอีกอย่างหนึง่งที่สำคัญที่แ่าว่าเราจะลืมไม่ได้คือถ้าเราอยากให้อาจารย์ชื่นใจอะไรอย่างเงี้ยเราควรปฏิบัติตัวให้สมงกับที่ว่าอาจารย์ตั้งความหวังเอาไว้ค่ะแค่นี้คะ นี่ถึงถึงลอบลอบที่สอง